การบูชาในพระพุทธศาสนามีการบูชาอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งอามิสบูชาแบบที่สองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งสกาการะต่างๆเช่นดอกไม้ ถูปเทียนบูชาด้วยการสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ ส, สารา้างศาลาสร้างกุฏิสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดการสร้างวัตถุต่างๆเหล่ า, า น, านี้เรียกว่าอามิสมบูชา ส่วนปฏิบัติบูบชาก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการบูชาสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเพราะการปฏิบัติบูชาจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองอามิสสบูชากับปฏิบัติบูชาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการกินผลไม้ อาบิสบูชาก็กินเปลือกผลไม้ส่วนปฏบิบัติบูชาก็กินเนื้อของผลไม้รสชาติไม่เหมือนกันรสชาติของเปลือกผลไม้กับรสชาติของเนื้อของผลไม้นีนมีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคนส่วนใหญ่จึงไม่กินเปลือกผลไม้กัน จะกินแต่เนื้อผ ล, ลไม้ธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีส่วนที่เป็นเปลือกและมีส่วนที่เป็นเนื้อแต่การที่จะเข้าถึงเนื้อได้ก็ต้องผ่านเปลือกก่อนก็จึงมีการปฏิบัติอามิสบูชาก่อนมีการ ถวายของต่างๆเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นการบูชาที่ง่ายกว่าการปฏิบัติบูบชาสำหรับผู้ที่เริ่มบูชาอาจจะไม่มีกำลังมากพอที่จะปฏิบัติบูบชาได้ก็ต้อง ทำอามิสบูชาไปก่อนแต่ควรที่จะทำความเข้าใจว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเป็นเหมือนการเปลือกเหมือนการปอกเปลือกผลไม้อย่าไปติดอยู่กับเปลือกปอกเปลือกมากินแล้วก็เนื้อก็ทิ้งไปต้องทากลับกัน เปากเปลือกแล้วก็เทงเปลือกไปเพื่อที่จะได้กินเนื้อรสแห่งธรรมก็คือเนื้อของธรรมอยู่ที่การปฏิบัติบูบชาถ้าทำแต่อามิสบูชาก็จะได้แต่เปลือกของของธรรมมาไปจะไม่ได้เนื้อจะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมคืออะไรรสแห่งธรรมก็คือความสงบของใจนี่เองความสงบของใจจะเกิดขึ้นได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการบาเพ็ญจิตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาเป็นการสร้างความสงบ สร้างความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้เป็นครั้งเป็นคราวได้ลดแห่งธรรมในขณะที่เข้าสู่ความสงบแต่พอออกจากความสงบมาแล้วลดแห่งธรรมนั้นก็ยังจางหายไปได้จึงต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สอง คือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นการรักษาความสงบที่ได้จากสมถะภาวนาคือพอออกจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยทำลายสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนั่นเองสิ่งที่จะมาทำลายความสงบ ก็คือตัณหาความอยากต่างๆได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ถ้ามีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาความสงบก็จะถูกทำลายไปทันทีถ้าอยากจะรักษาความสงบก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่ให้เจริญอริยสัจสี่ให้เจริญตายรัก ให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้สิ่งที่กิเลสอยากได้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นสิ่งที่อยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความอยากได้นั้นก็จะหยุดลงทันทีเพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์นั่นเองไม่มีใครอยากได้อนิจนตตน จ, นนจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่หมัน่นเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หมั่นเจริญอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเห็นอะไรจะถูกโมหะอวิชชา ที่ครอบงำจิตใจอยู่นั้นให้มองเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแทนที่จะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแทนที่จะเห็นอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายก็จะไปเห็นความสวยงามของร่างกายแทนที่จะเห็น ความเป็นปฏิกูลของอาหารก็จะไปเห็นความน่ารับประทานของอาหารพอเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงก็เกิดความอยากได้เขาเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าสวยงามเห็นว่าน่ารับประทานแต่พอเวลาใดที่อยากแล้ว ไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็เกิดความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่เพราะสิ่งที่ได้มานั้นก็หมดความหมายไป ไม่ให้ความสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆพอพอความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้นั้นหมดไปก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่อยากได้หรือเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อ น, นี่คือการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญ ก, ก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็มีดับไป เป็นธรรมดามีมาก็มีไปมีได้ก็มีเสียเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าได้สิ่งนั้นมาหรือถ้าไม่ได้ก็ทำให้เสียใจเช่นเดียวกัน อยากได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากก็ทําให้เสียใจถ้าไม่มีปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากความอยากก็จะมาทําลายความสงบใจจะต้องตะเกียกตะกายจำเป็นจะต้องขวนขวายเข้าหาสิ่งที่อยากได้กวลกวังวยกระสับกระสาย อดหยุดนำคานใจจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้แล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปความอยากได้ความสุขแบบนั้นอีกก็จะทําให้ต้องกวนกวายกระสับกระสายต้องคอยเดินลนหาสิ่งที่อยากได้ไปเรื่อยๆ อันนี้คือไตยลยักอ น, นิจจทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงความสุขที่จะต้องมีการพัดพากจากกัน ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้แหละที่เป็นนิจังสุขขังอัตตาถ้ารู้จักวิธีสร้างขึ้นมาแล้วรู้จักวิธีรักษาก็จะได้ความสุขที่เป็นอมที่เป็นความสุขที่ถาวรได้ ถ้าได้คอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบที่ได้ด้วยปัญญานี่คือการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็สมถภาวนาสร้างความสงบขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีความสงบ ก็ไม่รู้ว่าจะเอาปัญญาไปรักษาอะไรการมีการใช้ปัญญานี้ก็เป็นการมารักษาความสงบที่ได้จากสมาธินั่นเองรักษาความสุขที่ได้จากความสงบถ้ายังไม่มีความสงบก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าจะไปรักษาอะไรไม่รู้ว่าจะ ใช้ปัญญาไปทำไมปัญญากับกายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสงบเพราะผู้ที่ยังไม่มีความสงบนี้จะต้องเข้าหาสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์นั่นเองต้องเข้าหาราบยศสรรลเสรญต้องเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเมื่อเมื่อต้องหาสิ่งเหล่านี้ ก็จะไม่ยอมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าให้คิดว่าเป็นอนิจจังก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีจะคิดว่าต้องสูญเสียคนที่เรารักไปต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็จะทำให้มีความรู้สึกหดหู่ใจเศร้าใจไม่สบายใจเพราะว่า ไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่รักไปไม่อยากจะสูญเสียความสุขที่ได้จากสิ่งที่ที่ได้มาไปเมื่อไม่ยอมพิจารณาก็จะต้องทุกทุกครั้งเวลาที่เกิดการสูญเสียเวลาที่เกิดการพัดภาาจากกันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสงบไม่มีความสุข การใช้ปัญญาจึงใช้ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าความสุขของผู้ที่ยังไม่มีความสงบนั้นต้องอาศัยสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องอาศัยลาบยศสัรเสรญต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะ การเจริญปัญญาจึงเป็นไปไม่ได้สําหรับผู้ที่ยังไม่มีความสงบเพราะว่าจะรู้สึกไม่สบายใจจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ให้คิดถึงความแก่ให้คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยให้คิดถึงความตายใจที่ต้องยึดอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขต่างๆก็จะมีความไม่สบายใจขึ้นมาหดหูใจถ้าต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เลยไม่สามารถเจริญปัญญาได้การจะเจริญปัญญาได้ต้องมีความสงบก่อนถ้าสามารถเจริญสติเพื่อให้จิตสงบให้หยุดคิดรุงแต่ง ให้เข้าสู่ความนิ่งสงบที่เรียกว่าสมาธิอนิกะสมาธิและอัปปนาสมาธิได้เวลาจิตสงบโมหะอาวิชากิเลสตัณหาที่คอยอสั่งให้ใจไปหาสิ่งต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราวตนนั้นใจจะเป็นกลาง ใจจะไม่รู้สึกว่ามีความรักมีความชังมีความกลัวมีความหลงอยู่ในใจตอนนั้นพอออกจากสมาธิมาใหม่ๆใจก็ยังมีความเป็นกลางอยู่แต่จะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับน้ำเย็นที่แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ น้ำก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความเย็นก็จะค่อยๆหายไปถ้าต้องการให้ความเย็นกลับมาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ใจก็เหมือนกันใจที่เข้าสู่สมาธิจะเย็นจะสงบจะมีความสุขจะเป็นกลางจะไม่หิว จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการพิจารณาทางปัญญาเพราะจะไม่มีอาการกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจะไม่มีอาการรังเกียจอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายหรือ ปฏิกูลอาหารปฏิกูลอาหารเป็นปฏิกูลปฏิกูลของอาหารใจจะรู้สึกเฉยเฉยจะสามารถมองความจริงได้มองความจริงว่าสิ่งที่อยากได้นั้นถ้ามองเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะทำให้หยุดความอยากได้ถ้าเห็นความไม่สวยงามในร่างกายที่สวยงาม ความอยากที่ได้ร่างกายที่สวยงามก็จะหายไปได้เพราะจะเห็นว่าไม่สวยงามความอยากรับประทานอาหารที่น่ารับประทานพอเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารความอยากรับประทานอาหารก็จะหายไปถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เห็นว่าจะต้องเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้อะไรนี่คือการพิจารณาทางปัญญาเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือเวลาที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆจะนั่งสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้สงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพื่อที่จะสร้างอุเบกขา สร้างความเย็นสร้างความเป็นกลางของใจให้มีไว้มากๆเพื่อที่เวลาที่ออกจากสมาธิมาจะได้ใช้มาพิจารณาทางปัญญาได้เป็นเวลานา น, านแต่ถ้ามีน้อยมีอุเบกขาน้อยเวลาออกมาทางออกมาเพื่อจะ พิจารณาทางปัญญาก็จะพิจารณาได้น้อยเพราะว่าพออุเบกขาหมดกำลังลงกิเลสตัณหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาโมหะอาวิชาก็จะโผล่ขึ้นมาจะเริ่มต่อต้านการพิจารณาทางปัญญาทันทีจะทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้เห็น ได้อย่างชัดเจนถึงเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องหยุดการพิจารณาทางปัญญาแล้วกลับมาทำใจให้สงบใหม่มาเจริญสติใหม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกลับมานั่งสมาธินั่งหลับตาดึงใจกลับเข้าสมาธิไปใหม่ เหมือนเอาน้ำเย็นที่หายเย็นแล้วกลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นใหม่เพราะเวลาดื่มน้ำน้ำเย็นกับน้ำไม่เย็นนี้มีความแตกต่างกันน้ำเย็นหยืมแล้วเย็นสบายน้ำไม่เย็นดื่มแล้วไม่มีรสชาติไม่น่าดื่มอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปคือปฏิบัติแบบสลับกันไปในเบื้องต้นต้องสร้างสมถะภาวนาขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสมาธิตอนต้นก็จะได้เป็นคณิกะสมาธิคือจะสงบเพียงเดียวเดียวแบบงูแลบลิ้นแล้วก็จะถอนออกมา เนื่องจากกำลังของสติยังมีไม่มากพอก็จะอยู่ในสมาธิได้แป๊บเดียวถ้ายังไม่ได้สมาธิแบบอัปปนาเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังไม่ควรไปทางปัญญาควรจะมาฝึกสติต่อไปออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อถ้าใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อ ไม่ว่าจะอยู่ในเอิริยบทใดเดินนั่งหรือทำอะไรก็ตามก็ให้เจริญสติไปก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาเพราะจะพิจารณาไม่ได้เพราะกิเลสตัณหาจะมีกำลังต่อต้านอยู่ควรที่จะมาสร้างสติเพื่อทำจิตให้สงบให้ได้นานให้มีอุเบกขามากๆ เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ต่อไปในเบื้องต้นของการภาวนาจึงต้องเน้นในการเจริญสมถภาวนาการทำใจให้สงบจนสามารถเข้าออกในสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการและเข้าไปแล้วก็สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง อันนี้ทำให้ทำให้มีสมถะมีมีบาตมีฐานของปัญญาก่อนถ้าบาตฐานของปัญญายังไม่แน่นปัญญาก็จะไม่ทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกับเวลาที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต้องทําฐานรองรับอาคารให้แข็งแรงก่อน มีการตอกเสาเข็มต่างๆถ้ายิ่งต้องการสร้างอาคารให้สูงขึ้นมากรากฐานก็จะต้องมีกำลังมากขึ้นไปตามลำดับถ้าต้องการเจริญปัญญาสู่ขั้นโลกุตตระธรรมสู่ขั้นอรหัตตผลรากฐานของปัญญานี้จะต้องมีกำลังมากเกิด มีความนิ่งมีความสงบมากสมาธิต้องแน่นต้องมั่นคงต้องสามารถเข้าและออกสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการเพราะเวลาที่พิจารณาทางปัญญานี้ถ้าเผลอสติไปก็อาจจะพิจารณาออกนอกรูนอกทางได้แทนที่จะเป็นปัญญากลายเป็นกิเลสไปก็เป็นได้ ถ้าออกนอกรูนอกทางก็ต้องรู้จักดึงใจให้กลับให้เข้ามาสู่ความสงบก่อนแสดงว่าความสงบหมดกำลังแล้วถึงถูกกิเลสลากให้ออกไปพิจารณานอกรูนอกทางจนทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาพอถึงขั้นนั้นก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมาเจริญสมถะภาวนา ทำจิตให้เข้าสู่ความสงบให้จิตสงบไปนานๆเป็นอุเบกขามีความเย็นมีความสบายมีความสุขแล้วค่อยถอนออกมาพอถอนออกมาก็มาพิจารณาปัญญาใหม่ปัญญาก็มีหลายระดับด้วยกันคือสิ่งที่ต้องพิจารณานี้มีอยู่หลายหลายระดับหลายสิ่งด้วยกัน ขึ้นอยู่ว่าใจไปติดอยู่กับอะไรบ้างสำหรับคนทั่วไปสิ่งที่ใจไปติดอยู่ก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกก่อนสิ่งที่อยู่ภายนอกก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพื่อที่จะได้ปล่อยวางหรือยุติการแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นว่าลาบยศสรรเสริญถ้าเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่อยากที่จะไปหามันนีเพราะเราทุกคนที่อยู่กันนี้ทุกวันนี้ก็หาความสุขกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะหาความทุกข์กันแต่ เพราะขาดปัญญาแทานที่จะไปหาสิ่งที่เป็นความสุขกลับไปหาสิ่งที่เป็นความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะสิ่งที่เป็นความทุกข์นั้นมันมีความสุขบังเอาไว้ข้างหน้านั่นเองเป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมน้ำตาลเคลือบยาขมเราจะไม่รู้ว่ายาที่เรากาลังองมอยู่นี้มันมียาขม รสขมอยู่หรือไม่เพราะตอนต้นเวลาอมมันมันมีน้ําตาลเคลือบอยู่มันก็เลยคิดว่าเป็นยาหวานแต่พออ ม, มไปได้สักระยะหนึ่งพอน้ําตาลละลายไปแล้วถึงจะไปเจอความขมของยาก็มาอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาขมความสุขเคลือบความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ใหม่ๆ ม, มันจะให้ความสุขกับเราเวลาที่เราได้มันมาเวลาได้เงินได้ทองมาดีอกดีใจกันพอเงินทองหมดแล้วก็ทุกข์ใจกันไม่พอเงินทองไม่พอใช้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีอกดีใจพอถูกปลดเท่านั้นมันก็เสียใจทุกอย่างในโลกนี้มันมีเจริญมีเสื่อม ลาบยศสารเสริญสุกนี้เรียกว่าโลกธรรมท่านแสดงไว้ว่าเป็นสี่คู่โดยการโลกธรรมแปดลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นสี่สี่คู่คู่ที่หนึ่งก็คือเจริญลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบคู่ที่สองเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศคู่ที่สามมีสารเสริญก็ต้องมีนินทานคู่ที่สี่มีสุขก็ต้องมีทุกข สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดก็จะกลายเป็นความทุกเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดที่เคยให้ความสุขไปนั่นเองเช่นเวลาได้แฟนก็มีความสุขพอเวลาสูญเสียแฟนไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ติดกัน ของภายนอกก่อนขายของที่อยู่ภายนอกร่างกายและจิตใจก็คือลาบยศสรรเสริมสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ไม่ช้าก็เร็วความสุขที่หุ้มห อ, อนั้นมันก็จะหายไปแล้วก็จะเจอความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้น มีอะไรก็จะต้องทุกกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์มีบ้านก็ต้องทุกกับบ้านมีรถก็ต้องทุกกับรถมีแฟนก็ต้องทุกกับแฟนมีลูกก็ต้องทุกกับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกกับสมบัติเพราะว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความห่วง ทุกข์เพราะความอยากให้อยู่กับเราไปตลอดพอเวลาเขาไม่อยู่กับเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผู้จะจะใช้ปัญญาต้องพิจารณาเพื่อตัดความอยากเหล่านี้ให้ได้จะได้อยู่แบบไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ถ้ายังไปติดอยู่กับราบยศสรรเสริญยังไปติดอยู่กับเรื่องเสียงเก็บรดต่างๆอยู่ ก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอนเวลาที่สิ่งเหล่านี้เสื่อมไปหรือหมดไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะจีรังถาวรมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้จังเมื่อมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ต้องเป็นทุกขคัเป็นความทุกข์ เพราะว่ามันไม่เป็นของเรานั่นเองเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จากการเป็นของเราก็กลายไปเป็นของคนอื่นไปพอไม่ได้เป็นของเราเราก็เสียใจกันนี่คือการพิจารณาสิ่งที่เรายังติดกันอยู่ภายนอกกายภายนอกใจคือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าเราไม่ติดสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราจะติดที่ยังเหลืออยู่พอเราปล่อยข้างนอกได้เราก็มาติดที่ร่างกายและจิตใจเรายังมาติดที่ร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่ยังอยากให้ร่างกายนี้ อ, อ, อยู่กับเราไปนานานออไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตาย แต่เราพิจารณาตามความเป็นจริงก็ได้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดพากจากกาันร่างกายของคนนั้นร่างกายของคนนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันไปเป็นธรรมดาร่างกายก็ไม่มีตัวตน ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ทำมาจากธาตุสีกคือดินน้าลมไฟธาตุสีนี้มาในรูปแบบของอะไรก็ของอาหารอาหารที่เรารับประทานนี้ก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผลิตขึ้นมาผักเออยต้นข้าวเอยผ ล, ลไม้เอยสิ่งเหล่านี้ต้องมีธาตุสีมารวมกันถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ ต้นไม้ถ้าไม่มีดินก็ปลูกไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ก็โตไม่ได้ถ้าไม่มีอากาศมันก็โตขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีความร้อนมันก็เติบโตขึ้นมาไม่ได้เช่นเวลาไม่มีใครไปปลูกต้นไม้ที่ขั้วโลกเหนือไม่มีใครไปปลูกต้นไม้ที่ทะเลทรายที่ทะเลทรายนี้มีธาตุดินมีธาตุลมมีธาตุไฟแต่ไม่มีธาตุน้ำ ที่ขั่วโลกเหนือนี้มีธาตุน้ำมีธาตุดินมีธาตุลมแต่ไม่มีธาตุไฟเพราะมันหนาวต้องมาปลูกที่มีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์เช่นที่เราอยู่กันนี้มีเดินมีน้ำมีลมมีไฟเราก็เลยปลูกต้นข้าวปลูกต้นผลไม้ปลูกต้นอะไรต่างๆได้ แล้วเราก็เอาผ ล, ลไม้พืชผลเหล่านี้มารับประทานกันเอาดินน้ําลมไฟของต้นไม้ของผ ล, ลไม้มารับประทานพอเข้ามาในร่างกายก็มาผสมกับดินน้ํำลมไฟเดินที่เราน้ําที่เราดื่มเข้าไปลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปธาตุไฟคือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์ พอมารวมกันในร่างกายอีกครั้งหนึ่งก็มาแปลงเป็นอาการสามสิบสองมาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกขึ้นมานี่คือร่างกายพอเกิดมาก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อ ย, อยพอเจริญได้เต็มที่ก็จะเริ่มเสื่อมลงไป ก็จะเริ่มเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะหยุดหายใจพอหยุดหายใจก็แสดงว่าธาตุลมไม่เข้าแล้วมีแต่ธาตุลมก็จะมีแต่ออกธาตุน้ำก็จะเริ่มแยกออกจากร่างกายธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งก็กลายเป็นดินต่อไป น, นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนคือผู้รู้ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายธาตุรู้ที่มาร่วมกับธาตุสีเลีน้ำลมไฟนี้เป็นผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิด คือจิตใจเราเรียกว่าจิตใจธาตุรู้นี้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายมาครอบครองธาตุสีแต่มองไม่เห็นว่าเป็นธาตุสีมองไปเห็นว่าเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในรชาญไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำาลงไฟที่จะต้อง มีการแยกตัวออกไปในที่สุดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปพอไม่เห็นก็เลยไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี้ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาพออะไรเป็นตัวเราของเราก็เกิดความรักเกิดความหวงเกิดความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็เลยเกิดความทุกข์กับร่างกายแต่ถ้ามาพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นคนใช้ร่างกายให้พาเราไปไหนมาไหนเราอยากจะดูอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปดูอยากจะฟังอะไรก็สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งที่เราอยากจะฟังมาฟัง เราคือผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เพราะความหลงทำให้เรามาคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วทำให้เราทุกเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอเราพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเราไม่ได้เป็นร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้มาเกิดขึ้นกับเราเราเป็นผู้รู้เฉย เป็นผู้รับรู้ความเป็นไปของร่างกายเราก็รับรู้เฉยๆไปอย่าไปรู้แบบหลงอย่าไปรู้แบบว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรจะไม่ทำให้ใจทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะใจไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นใจใจก็เลยอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่เป็น ตัวที่ทำให้ใจทุกข์กันไม่ใช่ความแก่ glitter, ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้ใครทุกข์แต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต่างหากที่ทำให้ใจทุกข์กันพอพิจารณาอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากทันทีเพราะเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย และการที่จะหยุดความอยากได้ก็เพราะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไปอยากอย่างไรมันก็ห้ามมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงมันก็ยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่า ถ้าปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นเองก็จะได้ข้อสรุปว่าก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายมันเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้ถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปถ้ายังดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ถ้ามันถึงเวลาที่ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ ก็อย่าไปอยากให้มันทุกข์ไปเปล่าๆก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราไปกลัวอะไรเราเป็นผู้รู้ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเท่านั้นถ้าเราไม่อยากจะไปหาไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ต้องมาตัดความอยากส่วนอื่นที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปความอยากที่จะ ยึดติดกับร่างกายก็จะถูกตัดลงด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความอยากที่อยากจะได้คนอื่นมาเป็นแฟนยังไม่ได้ถูกตัดไปอันนี้ถ้าอยากจะตัดความอยากมีแฟนมีคู่ก็จําเป็นจะต้องพิจารณาอาสุภะคือพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย ดูส่วนที่ร่างกายไม่น่าดูที่มองไม่เห็นกันเพราะถูกคุ้มห่อด้วยผิวหนังนั่นเองร่างกายนี้นอกจากจะมีอาการภายนอกแล้วยังมีอาการภายในที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจำเป็นจะต้องใช้ตาของปัญญาตาของปัญญาก็คือต้องศึกษาดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนั่นเอง วิธีที่จะศึกษาก็อาจจะต้องไปดูคนตายเวลาที่เขาผ่าศพออกมาก็จะเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายจะเห็นโครงกระดูกเห็นเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นหัวใจเห็นอะไรต่างๆอันนี้พอเห็นอาการเหล่านี้แล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามเลย อันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ยุติความอยากที่จะมีแฟนได้ถ้าเห็นว่าร่างกายของแฟนนี้ไม่น่าดูเลยถูกเพียงแต่เอาผิวหนังมาหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองพอเปิดดูเข้าไปข้างในถึงจะรู้ว่ามีแต่กองขยะกองขยะอยู่ภายในร่างกายเหล่านี้ เ, เหมือนกับคนที่มีกระเป๋าสวยๆนี่ เราไม่ได้เปิดกระเป๋าของเขาดูเราคิดว่าโอ้ข้างในของจะมีของดีๆแต่ที่ไหนได้ลองไปเปิดดูอาจจะมีแต่กระดาษทิชชู่มีเศษขยะอะไร <c oughs> เราไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นใช่ไ้ยแต่เห็นภายนอกก็อยากได้กระเป๋าเขาพอไปเปิดดูมีแต่ขะยะโยนทิ้งดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาร่างกายพิจารณาเข้าไปข้างใน ถ้าเห็นอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังจากหนังก็มีเนื้อจากเนื้อก็มีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีหัวใจมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีสมองมีสมองศีสษะแล้วก็มีน้ำต่างๆอีก น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยนี่คืออาการต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราศึกษาพิจารณาต่อไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่น่าดูเลยไม่น่าอยากได้เลยได้มาแล้วต้อง ได้แฟนมาแล้วต้องได้โครงกระดูกเขาด้วยต้องได้ลำไส้เขาด้วยต้องได้ปอดเขาด้วยตับเขาด้วยไตยเขาด้วยนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็คือการพิจารณาเพื่อตัดความอยากที่เกี่ยวข้องกับร่างกายถ้า ต, ตัดความอยากที่เกี่ยวข้องกับร่างกายได้หมดถ้าตายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายนี้ เป็นเครื่องมือหาอะไรในโลกนี้ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเพราะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยากได้ร่างกายเพราะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยากได้มีได้ร่างกายของแฟนเพราะเห็นว่ามันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามผู้ที่ตัดด้วยปัญญาได้ก็จะ ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบอีกต่อไปการมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสพกามอยู่นั่นเองผู้ที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะผู้ที่ยังมีแฟนอยู่จาเป็นจะต้องกลับมาเกิดในกามมาพบไม่เป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์นยถ้าทำบุญไม่ทำบาปแต่ถ้าไปทำบาปด้วยก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต เป็นอสูรกายไ ป, ไปตกนรกนี่คือการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงที่ไปเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าน่าน่ายินดีเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ความเป็นจริงแล้วทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การพิจารณาการปฏิบัติก็จะทำอย่างนี้ไปแต่ไม่ได้ทำแบบพรวดเดียวบางทีทําแล้วพอจิตหมดกําลังสมาธิหมดกําลั ง, ก, ลงกิเลสเริ่มให้คิดลงกันข้ามกว่าความเป็นจริงก็ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อทำจิตให้เย็นให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาพิจารณาใหม่ พิจารณาไปจนกระทั่งสามารถที่จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้ก็หยุดพิจารณาได้ถ้าไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะเห็นแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินไลเพระเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญ เราถ้ามีความสงบแล้วเราอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอแต่ที่เราต้องพิจารณาก็เพราะว่าความสงบนี้มันไม่ได้ทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจความอยากเพียงแต่ถูกความสงบกดเอาไว้เท่านั้นพ อ, อาจากสมาธิมาพอสมาธิเสื่อมลงความอยากที่ถูกกดเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จะมาหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไป ได้ลาบยศเสริญอยากไปได้แฟนอยากจะได้อะไรต่างๆตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าการไปหาสิ่งต่างๆนี้เท่ากับการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปถ้ามีปัญญามันก็จะสะกัดความอยากได้หยุดความอยากได้ให้กลับไปอยู่กับความสงบดีกว่า เพราะความสงบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนะถ้าเรารู้จักรักษามาแล้วมันก็จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอด น, นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเราจะต้องตัดความอยากกับสิ่งต่างๆเอาส่วนหยาบก่อนส่วนที่ง่ายก่อนก็สือสิ่งที่อยู่ภายนอกเราสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายและจิตใจนี้ตัดง่ายกว่าสิ่งที่มี ที่อยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจงั้นตอนต้นเราตัดราบยศสระเสริญตัดรูปเสียงกิดรดแล้วเราก็มาตัดร่างกายปล่อยวางร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายนี้ไม่ถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไม่ได้มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ไปตัดความอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนะ พอตัดได้หมดแล้วเรื่องของร่างกายก็หมดไปไม่ต้องพิจารณาเรื่องของร่างกายอีกต่อไปแต่ใจก็ยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลงเหลืออยู่เพราะยังไปติดอยู่กับความสุขภายในใจก็ไปติดอยู่กับความสงบนี่แหละความสงบที่ได้จากการฝึกสมาธิแต่ความสงบที่ได้จากสมาธินี้มันก็เป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงเวลามัน มันเวลาสงบไปอยู่ในสมาธิก็สงบเวลาออกจากสมาธิมามันก็ไม่สงบยันพอถึงตอนนั้นแล้วก็ต้องมาปล่อยความสงบปล่อยความยึดติดในความสงบถ้ายังยึดติดอยู่ก็ยังจะต้องทุกข์อยู่เพราะเวลาจิตสงบก็มีความสุขพอเวลาจิตไม่สงบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกที่ทุกเพราะทุกเพราะความอยากไม่ใช่ทุกเพราะว่าจิตไม่สงบ ทุกเพาอยากให้จ okay. ิตสงบพอรู้ทันว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากให้จิตสงบเวลาจิตไม่สงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบปล่อยมันไม่สงบไปรู้ว่ามันเป็นอนิจจังรู้ว่าบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบถ้ามันสงบก็ปล่อยมันสงบไปถ้ามันไม่สงบก็ปล่อยมันไม่สงบไปแต่อย่าไปอยากให้มันสงบพอปล่อยมันได้ ความอยากที่ทำให้ใจทุกข์กับเรื่องของความสงบของใจมันก็จะหายไปใจก็จะอยู่อย่างสบายปราศจากความอยากต่างๆใจปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตใจได้ปล่อยอารมณ์ต่างๆทำอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตในใจพิจารณาให้เห็นว่าล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ก็จะหายไปเพราะตัวที่มาทำลายความสงบคือความอยากมันถูกกำจัดไปหมดใจก็เลยสงบแบบแบบไม่เสื่อมใจสงบแบบถาวรต่อไปใจที่สงบไม่ถาวรก็เพราะว่ายังมีความอยากหลงเหลืออยู่พอกำจัดความอยากที่หลงเหลืออยู่นี่ให้หมดสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่มีความอยากมาทําลายความสงบความสงบก็เลยสงบไปอย่างทาวร น, นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงรสของแห่งธรรมก็คือรสของวิมุตตินี่เองวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้น จากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อใจที่ไม่มีความอยากแล้วนี้จะไม่กลับมาเกิดในไตพบอีกต่อไปไม่มีความอยากได้อะไรในไตพบไม่มีความอยากได้ลาบยศรเสรสุขไม่มีความอยากได้ร่างกายของตนหรือร่างกายของผู้อื่นไม่มีความอยากได้ความสงบต่างๆของไตพบ ก็เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบจิตที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็เรียกว่านิพานนี่จิตที่ได้ชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่ไม่มีการมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปจะเป็นจิตที่มีแต่บรมมสุขนิพพานังปลมังสุขขัง จิตที่อยู่กับความว่างความว่างนี่แหละเป็นบร ม, มสุขเพราะความว่างนี้ไม่มีไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเป็นความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ เป็นความสุขที่มีความจุกตามมาเสมอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะเสียใจเวลามีการพัดภาคจากกันสู้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์กันดังนั้นถ้าไม่อยากจะมีอะไรก็อย่ามาเกิดเพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น เมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีอะไรต้องมาทุกข์ด้วยไม่มีราบยศเสริญสุขมาทุกข์ด้วยไม่มีร่างกายมาทุกข์ด้วยไม่มีจิตใจที่ยังยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงมาทุกข์ด้วยจิตอยู่กับความว่างท่านถึงเรียกว่านิบบานังปรมังสุญญ์นิบบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานก็คือความสุขที่ เกิดจากความว่างนั่นเองเพราะความว่างนี้ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างมันก็ว่างของมันไปตลอดเนี่ยดูทุกครั้งที่มาที่นี่ความว่างระหว่างที่เราที่นั่งห้อมล้อมเราอยู่นี่มันอยู่กับเรามาตลอดใช่ไหมมาศาลานี้กี่ครั้งอย่างอื่นเปลี่ยนไปศาลาเปลี่ยนไปนังคาเปลี่ยนไปสสเสาเสอว่าอะไรเปลี่ยนไปได้แต่ความว่างมันไม่เปลี่ยนหรอกมากี่ครั้งก็เจอความว่างแบบเดิมอยู่ ความว่างก็คือเนี่ยตรงไหนที่ไม่มีอะไรตรงนั้นแล้วก็เรียกว่าความว่างคือการไม่มีอะไรนี่มันอยู่ไปตลอดมันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแต่สิ่งที่ตั้งอยู่บนความว่างเนี่ยมันเสื่อมมันหมดได้เช่นร่างกายของพวกเราเนี่อีกห้าสิบปีมานั่งตรงนี้ได้หรือเปล่ปาไม่รู้จะเหลื อ, อ ก, กันสักกี่คนแต่ความว่างมันก็ยังรอเราอยู่ตรงนี้แลมันก็อยู่ตรงนี้ของมัน อยู่กับความว่างดีกว่าความว่างไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความใจจะอยู่กับความว่างได้ก็ต้องสงบเท่านั้นเองต้องมีสติมีปัญญาคอยกำจัดความอยากที่จะไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขพอความหลงไปคิดว่าการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขแต่ความจริงแล้วการไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แหละเป็นการมีความสุขคือการไม่มีอะไร การอยู่กับความว่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งแต่อยู่กันไม่ได้เท่านั้นเองเพราะถูกกิเลสคอยดันคอยกระแทกอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ดึงให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ดึงให้ไปดูไว้นั่นฟังไว้นี่เดี๋ยวก็ดันให้ไปซื้อนูน่นซื้อนี่มีแต่เรื่องให้ทำอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาแล้วเป็นยังไงได้มาแล้วมันเป็นสุขจริงหรอือไม่สุขจริง ได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มาก็หายไปแล้วกลายเป็นความทุกข์เป็นภาระความกังวลขึ้นมามีอะไรก็กังวลห่วงใหญ่กลัวจะสูญเสียมันไปแล้วพอสูญเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสละกันตัดกันให้เราเข้ามาหาลดแห่งธรรม ทีชนะลดทั้งปวงก็คือลดของความว่างนี้เองนิบานังปรามังสุญัติยังนิบานังปรามังสุขขังการที่เราจะอยู่กับความว่างได้เข้าถึงความว่างได้เราต้องมีการปฏิบัติบูบชานั้นเองเราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติทําสมควรจะทําก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการจเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามที่พุทธเจ้าได้ได้ทรงสัมผัสมาและพระสาวกทั้งหลายได้สัมผัสกันเพราะนี่เป็นความจริงที่เป็นอมตะเป็นอาการลิโกไม่มีการเสื่อมไปตามการตามเวลาผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะรับผลได้ผลอยู่ที่การปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่การอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้การอยากได้นิพพานไม่ทำให้เราได้นิพพานการอยากได้นิพพานเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการปฏิบัติบูบชาดัางนั้นขอให้พวกเราจงเข้าหาการปฏิบัติบูบชากันอามิสบูชาก็ทำไตาตามตามโอกาสตามฐานะแต่ควรจะก้าวขึ้นจาก อมิสบูชาให้เข้าสู่ปฏิบัติบูบชากันให้ได้เพราะอมิสบูชานี้ไม่สามารถพาให้เราไปถึงลดแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูบชาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอ an ิชิตังปฏทิต um ังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุส so ังกะปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติ อาระโสยทาสพีติโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตดนันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนตสีนิจสังวุทธาปจายโนยัตารุธรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กสามรอยี่สิบเจ็ดค่ะ ทาง y o u t u หนึ่งร้อยห้าสิบหกทางวิทยุออนไลน์ยี่สบสี่ผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยเก้าสิบสามท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยคนค่ ะ, ะใครมีคำถามก็ถามได้ในเวลาไม่มีใครถามก็อ่านคำถามของคำถามจากผู้ฝากถามค่ะ โยมติดสุขมากจะพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆก็จะมีความตั้งใจประมาณสามสี่วันพอทุกนิดหน่อยการปฏิบัติก็เริ่มหยุดจะต้องรอให้ความทุกข์เข้าถึงจุดทุกมากก็จะกลับมาขยันปฏิบัติอีกกราบเรียนถามว่าจะแก้ไขติดสุขอย่างไรดีคะก็ต้องมีโครงการปฏิบัติที่ที่มีกำหนดเวลาตายตัว แล้วก็บังคับให้เราปฏิบัติมันตามตามตารางเวลาของการปฏิบัติเพื่อพยายามให้มีวินัยในการปฏิบัติอย่าปฏิบัติแบบก็ะตายก็ะต่ายมันวันไหนมันอยากจะวิ่งมันก็วิ่งวันไหนมันอยากจะเล่นมันก็เล่นให้ทำแบบเต่าเต่ามันทำไปเรื่อยๆมันคานมันไปเรื่อยๆมันไม่หยุด ถึงแม้ว่าจะไปไม่เร็วเหมือนกระตายแต่ในที่สุดมันก็จะถึงหลักชัยก่อนกระต่ายอ <Yeah. S 1> ย่างพยายามหัดกำหนดเวลาของการปฏิบัติแล้วก็ให้มีวินัยในการที่จะทำตามตารางของการปฏิบัติ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ก็อย่างที่พูดนี่วันไหนมีอารมณ์ก็จะขยันปฏิบัติวันไหนไม่มีอารมณ์ก็จะไม่ปฏิบัติ แต่ถ้ามีตารางถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ถึงเวลาต้องปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแล้วตารางนี้เราสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือลดลงได้แล้วแต่ความเหมาะสมต้องดูกาลังของเราด้วยถ้าเราไปตั้งตารางที่มันมากกว่าที่เราจะทาได้มันก็อาจจะทำให้เราท้อแท้ได้แต่ถ้าเราทามันตั้งมันน้อยไปหน่อยมันก็จะไปไม่ได้ไกลไปไม่ได้มาก เนีต้องให้มันรู้สึกยากนิดๆแต่อย่าให้มันสบายจนเกินไปถ้าตารางแบบสบายๆนี่มันย่อหย่อนแต่ถ้ามันยากเกินไปมันก็จะทาให้ไปไม่ไหวแล้วอาจจะทำให้ท้อได้ให้มันยากนิดๆยากพอที่จะสู้กับมันได้ถ้ามันสบายๆมันก็จะไปไม่ได้เร็วไปไม่ได้ไกลแล้วต้องพยายามปรับตารางไปเรื่อยๆเพิ่มมันขึ้นไปได้เรื่อย จากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงอะไรทํานองนี้เพื่มมันไปจนกระทั่งปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นคือเป้าหมายถ้าอยากจะเป็นสุปฏิปันโนต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีเวลาใดที่ไม่ปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าสุปฏิปันโนคำถามจากผู้ฝากถามอีกท่านค่ะ ถ้ามีคนในครอบครัวติดการพนันและทําให้ทุกคนเดือดร้อนขณะนี้จะถูกจิตบ้านยึดโรถแล้วมีวิธีวางใจอย่างไรคะก็คิดว่ามันไม่เป็นเงินของเราก็แล้วกันถ้าเป็นของเราเราก็เอาเราก็เอาไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยถ้าเราไปไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเสียดายเราก็เตรียมหาทางหาห า, หาเงินของเราเก็บไว้ช่ว ดูแลตัวเราเองไปอย่าไปรอหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่าไปหวังเอาเงินทองของผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งเมื่อรู้ว่าถ้าต้องสูญเสียเงินก้อนนี้เราก็ต้องรีบหาเงินสำรองมาแล้วเราก็จะได้ไม่กังวลใจไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเวลาที่เงินนั้นหมดไปเพราะเราถือว่ามันไม่ได้เป็นเงินของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็ขอแบ่งเอาไปเก็บไว้เป็นส่วนของเราไป ถ้าไม่ได้เป็นของเราก็ถือว่าเป็นของเขาเมื่อเป็นของเขาเขาจะไปใช้ทําอะไรก็เรื่องของเขาคําถามจากคุณโมเดิลแฮรกรรมนํามาเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราต้องมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยคือหมายถึงกรรมในอดีตเราต้องยอมรับมันถ้าปัจจุบันทํากรรมไม่ดีก็ต้องรับผลกรรมนั้นคนเราเกิดมามีทั้งกรรมดีและชั่ว เราจะชนะกรรมชั่วได้อย่างไรคะก็รักษาศีลไปไงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละการกระทำบาปทั้งปวงก็ทุกครั้งที่จะทำบาปก็หยุดมันอย่าไปทำมันฝืนมันการจะฝืนได้ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิถึงจะมีกำลังถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิพอเกิดความอยากมันก็สู้ไม่ได้ ยังต้องมาฝึกสมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากันแล้วจะทำให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงได้คําถามจากคุณชนิดาค่ะทำไมผู้ที่เกิดมาชาตินี้สวยแะรวยแสดงว่าชาติที่แล้วทำบุญมาดีแต่มาชาตินี้เขาไม่มีบุญเก่าเพื่อที่จ ะ, ะระลึกที่จะคิดทำบุญให้เพิ่มขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอ จ, จินไตยนะพวกเราเป็นผูถุชนนี้จะไม่สามารถ เ, าเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรรมบรใดาทําำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้กรรมบรใดาทําำให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก็ขอให้เรารู้แบบภาพรวมก็แล้วกันว่าทำดีได้ดีทำเชั่วได้เชื่อ ส่วนรายละเอียดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้คำถามจากคุณแอชมพูค่ะโยมนั่งสมาธิปฏิบัติบูบชาแต่โยมลังแต่โยมยังเล่นหวยเพราะมีความอยาก<ม>เพราะมีภาระให้ต้องดูแล<ม>ทำอย่างไรเพื่อที่จะตัดความโลภนี้ได้คะก็ลองทำบัญชีดูเลยว่า <laughs> เราเล่นหวยเรา ได้กำไรเลิกขาดทุนสิ้นปีเรามาดูบัญชีดูถ้ามันขาดทุนก็แสดงว่าวิธีนี้ไม่ดีก็อย่าไปเล่นมันทั้งนี้ช่วเก็บเงินไว้ดีกว่าได้กำไรเอาเงินเก็บเอาเงินที่จะไปเล่นหวยเก็บไว้ทั้งเงินที่เราเล่นหวยนี้ได้มากกว่าเงินรางวัลเราก็ต่อไปเราก็เก็บเงินไว้ดีกว่าอย่าไปเล่นหวยทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลถึงจะเลิกได้ต้องมีปัญญา ยังไงลองทาตารางดูลองทาบัญชีดูเอะปีนี้ปีนี้เสียเงินซื้อหวยมาไปกี่ตังค์แล้วได้ถูกหวยกี่ตังค์แล้วมาบวกลบคูณหารดูว่ากำไรหรือขาดทุนถ้ากำไรก็เล่นต่อไปไม่เสียหายที่ท่านไม่ให้เล่นเพราะว่ามันเจ๊งกันส่วนใหญ่มันเดือดร้อนกันการพนันนี้ถ้านเล่นแล้วมันกำไรก็ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งก็ได้ คำถามจากคุณพัยทูลค่ะกราบลมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับเห็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตหลายงานญาติญๆจะซื้อเสื้อผ้ากางเกงผ้าถุงผ้าสรงผ้าเข่ามา้าถวายพระอย่างนี้ถูกต้องไหมครับมันเป็นความเชื่อของเขาเนะเพราะว่าสิ่งที่ส่งไปให้เขาไม่ได้เป็นเสื้อผ้าสิ่งที่เขาต้องการเป็นบุญ คือความสุขใจอิ่มใจเพราะผู้ล่วงลับไปแล้วไม่มีร่างกายแล้วมีแต่ดวงวิญญาณและสิ่งที่ดวงวิญญาณจะรับหรือ ด, ดวงวิญญาณต้องการก็คือความสุขใจเรียกว่าบุญเห็นเวลาเราทําบุญเราเกิดความสุขใจเราก็ส่งความสุขใจนี้ไปให้เขานั่นเองไม่ได้ส่งเสื้อผ้าเข้าของเงินทองอะไรต่างๆไปเนการถวายเข้าของเงินทองก็ต้องดูคนรับว่าเขา ต้องการอะไรเช่นผู้หญิงไปซื้อของที่ผู้หญิงใช้ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาไปทําประโยชน์ไม่ได้ผู้ชายไปซื้อกะโปรงให้เขาเขาก็เอาไปทําประโยชน์ไม่ได้ผ้าไปซื้อกางเกงซื้ออะไรเดี๋ยวท่านก็สึกเท่านั้ น, นเวลาถวายของก็ต้องดูผู้รับว่าเขาใช้อะไรได้เขาขาดแคลนอะไรแต่คนให้เนี่ยให้อะไรมันก็ได้บุญเหมือนกัน เพราะว่าได้เสียสละไงเสียสละข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นอาหารของใจที่ผู้ร่วงรับไปแล้วอาจจะไม่มีเพราะไม่ได้ทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาทำไว้เขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนนี้ไปเขาก็มีความสุขใจอิ่มใจติดตัวไปเขาก็ไปอยู่เป็นเทวดาไป แต่ถ้าเขาอยู่แบบหิวโหยเขาไม่มีบุญไม่มีความสุขใจอิ่มใจติดตัวไปเขาก็อยู่แบบเปรตอยู่แบบขอทานเขาก็ต้องมาคอยขอรับส่วนบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพงั้นการอุทิศบุญนี้ไม่ได้อุทิศข้าวของเงินทองเอาข้าวของเงินทองนี้ไปแลกเปลี่ยนมาเป็นบุญอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งบุญไปอีกทีหนึง่งคำถามที่สองค่ะในงานศพแถวบ้านผม จะมีเจ้าภาพหลายคณะเอาเงินใส่ซองถวายพระพระก็รับซองเงินใส่ย่ามแสดงว่าพระไม่เคารพพระสูตรที่ว่าพิสุกเว้นขาดจากการรับเงินและทองใช่ไหมครับคือสมัยนี้มีภิกษุอยู่สองแบบพิกษุที่รับเงินกับภิกษุที่ไม่รับเงินสาเหตุที่พิกษุรับเงินเพราะว่ามีข้ออนุญาตไว้ว่า ก่อนที่พระเจ้าจะจะเด็ดดับขันธ้าะปรินิพานได้สั่งพระอนุนไว้ว่าอา น, นุน <c oughs> กฎระเบียบบางข้อที่เรากำหนดไว้ถ้าสงเห็นว่ามันไม่สมควรกับการกับเวลาจะยกเลิกก็ได้ <c oughs> ไม่มีช่องที่พระอนุนไม่ได้ถามว่าข้อไหนบ้างก็เลยปล่อยให้พระมาตีความกันเอาเองว่าข้อไหน พระกลุ่มหนึ่งเขาก็ตีความว่าสมัยนี้ต้องใช้เงินทองไปไหนมาไหนต้องขึ้นรถขึ้นเรืออะไรไป ท, ทําเทะไปเรียนหนังสือจะอยู่วัดนี้ต้องไปเรียนอีกวัดหนึ่งก็ต้องเสียค่าเดินทางอะไรต่างๆท่านก็เลยถือคําฉั่งของพระเจ้าว่าถ้าเห็นว่าสมควรที่จะยกเลิกข้อไหนก็ยกเลิกไปเขาก็เห็นว่าการไม่รับเงินทองนี่มันเป็น มันเป็นมันหมดสมัยไม่ทันไม่ทันสมัยเพราะสมัยนี้บางทีต้องใช้เงินทองก็เลยยกเลิกกันไปโดยปริยายส่วนอีกพวกหนึ่งเขายังถือถือข้อห้ามดามเดิมอยู่คือไม่ให้ไม่ให้จับเงินจับทองไม่ให้ครอบครองเงินทองแต่ให้ฝากไว้กับผู้ที่เชื่อถือได้ รับได้แต่ไม่ให้เป็นเจ้าของเงินทองให้ถือว่าเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้เวลาต้องการใช้อะไรก็ให้ไปสั่งคนที่เก็บเงินทองนี้ให้เขาช่วยจัดการหามาให้ก็เลยมีสองแบบถ้าพรไม่จับเงินทองก็ต้องวางไว้ให้ท่านระบอกให้ท่านรู้ว่าได้ถวายเงินทองเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าไม่บอกเดี๋ยวคนเก็บเงินทองเขาไม่บอกอีกทีเขาก็ออกไปใช้ได้ก็เลย มีสองวิธีบางวัดเขาก็ไม่ให้จับต้องเงินทองไม่ให้ครอบครองเงินทองให้ฝากเอาไว้ผู้ที่ไว้ใจได้อีกวัดหนึ่งเขาก็บอกว่าเอาเก็บไว้เองเลยก็ทํา ง, ง่ายๆดีอยากจะซื้ออะไรก็ไปซื้อเองได้ไม่ต้องมารอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยจัดการให้คําถามจากคุณ p ีเอค่ะ ถ้าพิจารณาถึงการห่างจากผู้ที่มีความผูกพันเหมือนกับการตายจากกาันจะช่วยให้บรรเทาความทุก์ได้ไหมขอบคุณครับก็อยู่ที่ว่าใจเราอยู่ในระดับไหนถ้าใจเรายังไม่สงบพอพอคิดถึงการพลาดจากกันก็จะไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใจมีความสงบพอก็จะไม่รู้สึก เ, เดือดร้อนกับรู้สึกดีใจเพราะ เรามีความรู้ล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไเพอถึงเวลาจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะพิจารณาความจริงอันนี้ถ้ายังไม่มีความสงบพอก็พิจารณาไม่ได้เพราะพิจารณาทีไรรู้สึกเสียใจไม่สบายใจ แต่ถ้ามีความสงบพอถ้าพิจารณาแล้วจะรู้สึกเฉยๆจะรู้สึกว่าเป็นความรู้ที่มีคุณประโยชน์เพราะว่าเป็นความจริงที่เราจะต้องพบกันต่อไปในอนาคตก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้คําถามจากคุณซอซค่ะการนั่งสมาธิถ้านั่งหลังตรงจะนั่งไม่ได้นานค่ะถ้านั่งหลังไม่ตรงจะนั่งได้นานเจ้าค่ะ อันนี้มันผิดไหมคะคือตรงไม่ตรงนี้เขากลัวว่าถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวมันจะหลับเวลานั่งแล้วเวลาคอพับนี่มันหลับนะแต่ถ้านั่งตรงนี้สติมันจะดีมันจะหลับยากกว่างั้นเวลาก่อนจะนั่งก็พยายามลองตั้งให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ก็แล้วกันแต่พอเราเริ่มภาวนาแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับร่างกาย ว่ามันไม่ตมันไม่ตรงหรือมันงออะไรก็เป็นเรื่องของมันไปขอให้เรามีสติอยู่กับการภาวนาไปก็แล้วกันถ้าเรามากลัวกังวลเราก็คอยกลับไปกลับมาจะไปไม่ถึงไหนนั่งไปสักพักไอ้ตัวเราตรงหรือเปล่าไม่ตรงเนี่ยน้องขยับดูซิมันก็กลับไปกลับมาใจมันเลยเข้าข้างในไม่ได้เพราะมันจะออกมาที่ร่างกา ย, ยเรื่อย เพะเพื่อตัดปัญหาก็คือเวลาเราเริ่มต้นนั่งเราตั้งให้ท่าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกันตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พอเราทำเรื่องของร่างกายเสร็จแล้วเราก็อย่าไปสนใจเหมันพอเราเริ่มภาวนาพุทธโธดูลมหายใจก็อย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายว่าตรงหรือไม่ตรงเองไปทางซ้ายหรือเองไปทางขวาเองไปข้างหน้าหรือเองไปข้างหลัง ถ้ามันคิดเดี๋ยวมันจะมาคอยปรับเฮ้ยไปทางซ้ายน่ะดึงกลับมาขวาเฮ้มากไปเนี่ยกลับมาซ้าย ก, ก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องทําอะไรกันให้อยู่กับการภาวนาไปไม่เป็นไรเรื่องของร่างกายงอบ้างไม่งอบ้างเอ็นบ้างไม่เอ็นบ้างก็ช่างมันไปพอเราเริ่มนั่งแล้วเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายคําถามจากคุณยาหยีค่ะเรียนถามพระอาจารย์จิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ อ๋อจิตเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นหนึ่งในธาตุหกที่ไม่เกิดไม่ดับที่มีอยู่ตลอดเวลาธาตุทั้งหกคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้คือจิตและอวกาศธาตุเนื้ออากาศธาตุนี่เป็นธาตุที่หกสิ่งเหล่านี้มีอยู่มาตลอดเวลามีไม่มีเกิดไม่มีดับคําถามจากคุณลีโอค่ะ เวลาออกจากสมาธินอนไม่หลับควรจะทำยังไงคะก็นั่งสมาธิต่อซิไปนอนทำไมเมื่อมันอยากจะนั่งไงมานั่งเวลามันจะนอนก็ไปอยากนั่งสมาธิเวลามันอยากจะนั่งสมาธิก็อย่าไปอยากนอนทำตามที่มันต้องการสิถ้ามันอยากนอนก็นอนถ้ามันอยากนั่งก็นั่ง คำถามจากคุณปาปาโมโนค่ะมีหลวงพ่อแนะนําว่าคนตายไปแล้วหากไม่มีชุดขาวที่เราถวายไปให้เขาจะไม่สามารถเข้าแดนไปฟังธรรมได้เลยคืออย่างไรครับ๋ออไม่จริงหรอกอันนี้ดวงวิญญาณไม่มีร่างกายไม่มีเสื้อผ้าดวงวิญญาณมีศีลเป็นเสื้อผ้าถ้ามีศีลก็จะไปฟังเทศฟังธรรมได้คะ พราะเทวดาหรือพระจะไม่แสดงทำให้กับพวกที่เป็นโจรผู้ร้ายพวกโจรผู้ร้ายเขาจะไม่ไปฟังเทศฟังธรรมกันเขาจะมัวไปป้นไปจี้ไปฆ่ากันเหยื่อฉะนั้นขอให้มีศีลก็แล้วกันแล้วจะได้ฟังธรรมเวลาตายไปแล้วเพราะจะได้ไปเป็นเทวดาเห็นไหมพระพุทธเจ้าไปโปรดเทวดาทุกข์เขินคำถามจากคุณวิภาค่ะขอกราบเรียนถาม ดิฉันได้ฝึกสมาธิทุกวันแต่วันนี้กระเป๋าสตางค์หายใจเป็นทุกข์ขึ้นทันทีขอความเมตตาพระอาจารย์เมตตาชี้แนะค่ะก็ต้องเจริญวิปัสสนาทันทีว่าเงินทองเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีมาได้ก็มีไปได้มันไปก็ปล่อยมันไปมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่ไปพอมันไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปเดี๋งเวลามันจะไปก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วคําถามจากผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามค่ะคนที่เผาขยะเผาถ่ า, านช่วงเที่ยงคืนในชุมชนจะบาปไหมคะลูกปวดหัวทุกข์กับควันเหม็นมากคะ่ะจะเป็นกรรมไหมคะถ้าเราไปแจ้งอบาตาให้เขาหยุดเผาหรือมันก็ไม่ได้ผิดศีล ที่ไปฆ่าใครหรือไปอะไรการทํามาพูดให้เดือดร้อนก็อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ควรจะกระทำํำถ้าเราไปแจ้งความถ้าเขารู้ว่าเราแจ้งเขาอาจจะโกรธเราอาฆาตพยาบาทเราก็ได้คําถามจากคุณมงคลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับสั ม, มาทิถิกับสั ม, มาสังกัปปะในมรรคแปดในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ เป็นของคู่กันไงทำงานร่วมกันทิฏฐิ แ, C. แปลว่าความเห็นเช่นเห็นว่าบุญมีมีจริงบาปมีจริงนี่เรียกว่าทิฏสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือเมื่อรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสัมมาสังกัปปะก็จะคิดทำบุญไม่ทำบาปสัมมาสังกับบปปะแปลว่าความคิดส่วนทิฏฐิแปลว่าความเห็นพอเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ก็จะคิดทำบุญคิดละบาปขึ้นมาคำถามจากคุณสุทัศนีค่ะการรักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดถือเป็นการบาเพ็ญตบะใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งในการที่จ ะ, ะชำระจิตใจให้สะอาดแต่ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวเป็นวิธีที่สนับสนุนการภาวนา รักษาศีลแต่แล้วต้องมีการภาวนาถึงจะเป็นการบําเพ็ญตะบะอย่างแท้จริงหมดแล้วเลยหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงแนาเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ